บทที่สี่สิบเก้าภายในแคมป์บนยอดซักดำอิสซาเบลเป็นคนแรกของคณะไหนจ้างที่ตื่นขึ้นทันทีที่รู้สึกกรองก็พรวดพ ร, ราดลุกขึ้นนั่งทันทีหันขวับไปทางหัวหน้าใหญ่กับคิดเห็นยังนอนห่ผมผ้าหลับสนิทกันอยู่เหลียวไปทางด้านปลายเท้าเท่าที่จําได้ว่าเกิดเจ้าพรานเด็กหนุ่มของระพินที่รอนสั่งให้เข้ามาเป็นเพื่อนอยู่ร่วมกระโจมด้วยก็หายไปเสียแล้วนาฬิกาชี้ข้อมือชี้เวลาศูนย์เก้าจุดสองห้านอ มันสายโขทีเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาแปลว่านอนหลับเป็นตายไม่รู้สึกตัวอะไรเลยระนอกจากความอ่อนเปรี้ยเพลียแรงแล้วหลอนก็ใช้ยานอนหลับเช่นกันขณะนั้นแสงสว่างพอประมาณของยามเช้าสาดผ่านผ้ากระโจมพลาสติกเข้ามาและเบื้องนอกมีเสียงเคลื่อนไหวเบาๆอยู่รอบแคมป์พร้อมกับกลิ่นควันไฟอันไม่ถึงว่าพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายกาลังหงหากันอยู่ ดูเหมือนเงียบๆซึมๆอย่างไรพิกลจากโสดสดับคนเบื้องนอกลาวนั้นไม่ได้ส่งเสียงเออาร์ใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับว่าเจตนาจะให้พวกพวกหล่อนภายในกระโจมได้พักนอนกันอย่างเต็มที่ชนิดที่ไม่ก่อเสียงรบกวนและ ว, ว่าพวกนั้นจะตื่นกันขึ้นหมดแล้ ว, ลวเบลขมวดคิ้วทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วคว้าปืนลุกรพรวดพลาดแวกกระจมออกมาเบื้องนอกทันทีวาดสายตาไปรอบๆอย่างรวดเร็วหล่อนเห็นพวกลูกห่า กำลังนั่งหงหากัน อ, อยู่เป็นกลุ่มๆห่างรอบนอกออกไปเล็กน้อยก็ <C le ars> เ, เป็นชุดของพวกกรเรียงอพยพที่ร่วมมาด้วยพวกนั้นรวมหมู่อยู่ในคณะของตนหมอกยามเช้าสลายตัวไปบ้างแล้วเพราจะและเห็นลําแสงของตะวันสายศาสตร์รอดลงมามองเห็นอะไรต่ออะไรรอบตัวได้อย่างถนัดด้วยสัญลักษณ์ของชีวาการอากาศยังเย็นอยู่ก็จริงแต่เป็นอากาศสดชื่นบนยอดเขาสองคน ยืนเหมือนจะซุบซิบหาหรืออะไรกันอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ไม่ห่างไกลาจากเต็นท์พักออกไปนะหล่อนยังจําได้วันนั้นคือเกิดและเสยพรานรุ่นหนุ่มของรับพินทั้งคู่แต่พยายามมองค้นหาอีกหลายอึดใจก็ยังไม่พบตัวพรานใหญ่แม่ผมแดงจึงชูมือขึ้นสูงแล้วดีดนิ้วโดยแรงจากเสียงดีดมือนั้นทําให้ทั้งสองหันความมาดูอิสเบลโบกมือเรียกทันทีทั้งคู่เดินตรงเข้ามาที่หล่อนช้าชทาสีหน้าเงียบขรึมเท่า ถ้ากับอเมริกันสาวพูดจ้องอย่างพิศวงเกิด่อนเรียกเบาๆในลำคอเป็นคำแรกมองหน้าทั้งสองคนสลับกันนี่ตัวตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ออกจากกระโจมพักไปตอนไหนผมตื่นตอนย่ำรุ่งพราะตื่นก็ออกมาจากกระโจมของพวกในห้างเลยเห็นกำลังนอนหลับสบายกันอยู่ก็เลยไม่ได้ปลุกเกิดตอบไม่สู้จะเต็มเสียงนะกานใหญ่อยู่ไหนเบวถามมาโดยเร็วเกิดอึ๊กอึกในลาคอ ชำเลืองมองดูหน้าเจ้าเสยเพื่อนเกินนิดหนึ่งปัดนี้เกิดเองก็ทราบเรื่องที่เกิดที่เสยเล่าให้ฟังหมดสิ้นแล้วรวมทั้งรับทราบคําสั่งของระพินที่กําชับมาและเข้าใจโดยตลอดแต่แต่อึง้งอันยังไม่รู้จะตอบอย่างไรถูกเพราะตัวเองก็มึนงงไปหมดเช่นกันอิซาเบลไม่ได้หยุดคําถามเพียงแค่นั้นหล่อนซักต่อมาว่าแล้วได้ข่าวอะไรคืบหน้าบ้างไหมเกี่ยวกับคริสเชิดวูฒบุญคําแล้วก็จันที่เรารอคอยกันอยู่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ทั้งเกิดและก็เสืยยังยืนนิ่งได้แต่มองหน้าตันเองอย่างอัดอั้นตันใจอยู่ไปมาเช่นนั้นจนลนเดือดดานร้องแหวออกมาเอ๊สองคนนี่เป็นอะไรไปแล้วชันถามไม่ได้ยินหรือทำไมถึงยืนเป็นใบกันไปหมดอย่างนี้ภาษาไทยของหมอเบวถึงจะไม่ดีเท่าคริสติน่าแต่ก็พอใช้ทีเดียวพอจะฟังรู้เรื่องได้อย่างไม่ยากนักและจะสำเนียงแปลงไปบ้างเมื่อนะั้นเสยจึงขยับตัวยิ้มฝึดฝุดไม่ค่อยส่งกระดาษแผ่นเล็กๆพับสองทบส่งไปให้แม่ผมแดงพร้อมกับบอกว่า แมมอ่านจดหมายของพลานใหญ่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยถามอะไรทีหลังตอนนี้ผมสองคนไม่รู้จะบอกอะไรถูกแม่ผมแดงยิ่งมีสีหน้าประหลาดใจสุดขีดกระชากกระดาษแผ่นนั้นไปที่อ่านอย่างลุกลนุนอึดใจเดียวหล่อนก็หน้าซีดเผือดเหตการเหมือนจะหมดแรงอุทานโอ้กอดเงยหน้าพรวดขึ้นจ้องหน้าเสยกับเกิดอีกครั้งพลางก้มลงดูข้อความในกระดาษแผ่นนั้นสลับกันจากนั้นหล่อนก็ไม่พูดอะไรอีกเหมือนตกลับตลบชายเต็นท์ที่เปิดอยู่ให้ขึ้นไปอยู่บนหลังค่ะและทะลันปลายเข้าไปคุกเขา่า เหยาปุกทั้งดรสแตนลีย์คีดอย่าง ล, ะ ล, ะ ล, ะ ล, ะล่ําะรีบรีบด่วนทั้งสองพอรู้สึกตัวก็ตะลีตะลาตะเหลือกลุกขึ้นในบัตรนั้นยังมึนง ง, งวงเงียลําดับภาพไม่ถูกอยู่ยงในคิดร้องออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันเวลาเท่าไหร่แล้วเราหลับคนไปเป็นตายไม่รู้สึกตัวเลยและตื่นสายมากก่อนอื่นดูนี่เรียวร้องลั่นแล้วยื่นโน้ตหรือจดหมายสั้นๆของรอพินพรวดเข้าไปให้ก่อนที่คิดจะหยิบทันสแตนลีย์ก็ประสาทไวกว่าเฉวยหมักไปทันทีกลมลงดูข้อความคิดชะโงกหน้าเข้ามาพร้อมท หันหน้าคณะจึงอ่านขึ้นดังๆช้าๆไปทีละคำเรียนด็ตอร์แตนลี่กีตและเบลผมไม่อาจทนรออยู่จนถึงรุ่งเช้าได้ขณะที่เขียนโน้ตนี้4 40.00 นแล้วยังไม่มีวี่แววว่าคนของผมสองคนกับเชอร์บุลและคริสติน่าจะมาถึงจุดนัดพบของเราที่นี่ได้ผมจึงตัดสินใจออกติดตามด้วยตัวเองหน้าที่รับผิดชอบในขณะที่ผมไม่อยู่นี้ผมมอบให้แก่พรานหนุ่มของผมสองคนที่เหลือคือเกิดและเสย เมื่อคุณทั้งสามตื่นขึ้นมาแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องรอคอยผมอยู่บนยอดศักดํานี้ต่อไปขอให้เคลื่อนขบวนพวกเราทั้งหมดรวมทั้งเกรียงอพยพไปยังหมู่บ้านห้วยเสือร้องซึ่งจะไม่ไกลจากที่นี่นะเกิดและเสดจะเป็นผู้นําทางเมื่อถึงที่นั่นหยุดพักรอฟังข่าวจากผมอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนเป็นอันขาดและไม่ต้องติดตามผมเลยขอย้ําว่าจงพักรออยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องผมจะไปพบภายในเวลาไม่เกินยีบสี่ชั่วโมงนับจากเวลานี้ และไม่ต้องห่วงผมจงรอคอยอยู่อย่างสงบสําหรับเกิดและเสด็จเข้าใจคําสั่งของผมดีแล้วรับพินจบข้อความนั้นทั้งแสนลียคิดนั่งตัวแข็งกระลึงไปชั่วขณะยังบอกอะไรไม่ถูกสเบลก็นั่งคุกเข่าลืมตาโพรงประจันอยู่ตรงหน้าข้อความในกระดาษแผ่นนั้นสแสดงเจตจำนงและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างแจ่มชัดแล้วรวมทั้งบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ทุกคนประสงค์จะทราบข่าวด้วยเกือบสองนาทีเต็มๆที่อเมริกันอันเป็นชายสองหญิงหนึ่งพากันนั่งมองหน้ากันเองเหมือนถูกสาปให้เป็นหินไปชั่วขณะ และได้ความรู้สึกภายในที่ไม่อาจบอกถูกคิดเองผู้เป็นคนปากเปราะขี่โวยที่สุดวัดนี้เงียบกิบคอแข็งหน้าคณะดูมันจะตัดสินใจอะไรได้ถูกก่อนทุกคน ว, วิทยุประจําตัวขึ้นมาทันทีกดสวิตซ์เรียก ท, ท, ทีทีอยู่หลายครั้งติดกันก่อนจะกรอกคําพูดเ้าเฮ า, าลงไปว่าแซลลี่เรียกราพินกรุณาตอบรับถ้าคุณได้ยินไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆมาทั้งสิน้นหัวหน้าคณะเรียกชา้าช้ําๆอยู่กับสิบครั้งแล้วกัะดิ่มฟีปากแน่นเดี๋ยววิทยุเข้าซองของเอลลงตามเดิม มองออกไปยังลานดินหน้าหน้ากระจຽที่พักก็ยังเห็นพรานุ่มทั้งสองยืนนิ่งกันอยู่แล้วยักหน้าเรียกตำตาเอ้โบดออฟยูคัมเฮียเขาพูดด้วยภาษาของตนเองแต่เกิดและเสวยก็เข้าใจว่านั่นเป็นการเรียกแน่นอนจริงเก้าเข้ามาและซุดตัวลงนั่งตรงหน้าจดหมายนี่ลรพินให้ไว้กับใครหัวหน้าคณะสอบสวนทันทีคราวนี้ใช้ภาษาไทยพยามพูดให้ช้าและชัดเจนที่สุดโดยสะกดความรู้สึกทั้งมวลไว้ภายในสีหน้าและอาการอศสงบของเขานายให้ไว้กับผมสั่งว่าถ้าพวกในห้างตื่นก็ให้อาจดหมายนี่ให้ เคยต่อปบเบาสีหน้าไม่เป็นสุขเช่นเดียวกับฝ่ายในจ้างทั้งสามคนซึ่งบัดนี้แน่ละศาสตร์รับรู้ตื่นพร้อมแล้วไม่มีแหววของความงงเงียเหลืออยู่อีกเลยเพราะสิ่งที่ได้รับทราบอย่างจู่โจมก็ทันหันเล่าให้ฟังชัดๆละเอียดละเอียดหน่อยสิเหตุการณ์ตอนที่เขาส่งจดหมายนี่ให้ผมกําลังนอนหลับเคยเตรียมการปิดบังในบางส่วนไม่ล่วงหน้าแล้วร้านใหญ่เดินมาปลูกส่งจดหมายนี่ให้สั่งความกับผกอีกสองสาอย่างแล้วแกก็เดินออกไปจากปางพักไปคนเดียว ครับคนเดียวมีปืนเครื่องหลังไฟฉายเวลาสักเท่าไหร่ผมไม่ทราบรู้สึกว่าจะใกล้ลุ่งแล้วจะมืดมากหมอกลงจัดตอนนั้นมีใครรู้เห็นอีกบ้างไหมนอกจากเสยฉันหมายถึงว่าขณะที่เข้ามาปลุกส่งจดหมายให้และเดินออกไปไม่มีทุกคนหลับหมดเขาสั่งไว้ไว่ายังไงบ้างนายลพินสั่งผมไว้อาจดหมายนี้ให้พวกในห้างเมื่อตื่นและพวกในห้างจะรู้เองส่วนทางด้านผมก็สั่งว่าให้นำพวกเราทั้งหมดรวมทั้งก็เรียงอพยพพวกนี้ลงไปรอแกที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องไม่ต้องคอยอยู่บนนี้และสั่งห้ามไม่ให้ใครตามแกไปทั้งสิ้น ตอนนั้นเกิดอยู่ที่ไหนอเมริกันอาวุโสของคณะหันไปทางเกิดแนม่มนเบลให้ผมขึ้นมานอนเฝ้าอยู่ในกระโจมปลายตีนทางดินประตูออกนั่นเดตอบเสียงแห้งผมหลับไม่รู้เรื่องเพิ่งจะตื่นตอนย่ำลุง่งออกมาเสยก็บอกว่าพลานใหญ่ไปแล้วไปตามพวกที่ยังไม่กลับมาให้ผมกับเสยทําหน้าที่นำพวกในห้าทั้งหลายไปรอพักอยู่ที่ห้วยเสือร้องสแซนลีพยักหน้าช้าๆแววตาสีฟ้าของเขากเรียด เดีทำหน้าที่อธิบายการพูดโต้ตอบระหว่างหัวหน้าคณะกับพลานพื้นเมืองให้คิดผู้ไม่สันทัดภาษาไทยทราบหมอนั่นเป่าลมาจากปากเอามือข้างหนึ่งตบหน้าผานนกนรกนี่มันต้องแปลว่าทั้งสี่คนนั่นเชิญวุฒคริสบุญคำและจันมีหวังตายกันหมดแล้วเหตุการณ์มันเร็วระยำหมาอะไรอย่างนี้จำไอเสือนั่นแอบหนีเราไปโดยไม่บอกให้รู้ตัวหมอมีความหวังอะไรเหลืออยู่อีกคงจะตามไปดูว่าศพแหลกอยู่ตรงไหนงั้นกำหมังถ้าตัวเขาเองล่ะจะกลับมาอีกไหมนี่แปลว่าจะสาบศูนย์ไปด้วย ขีดคลางออกมาประพินอาจจะต้องกลับมาแน่แต่สําหรับสี่คนเห็นจะหมดหวังเสียแล้วแซนลี่เอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดในตาหลีลงประสาทของเขาเครียดแทบระเบิดมองไปทางพรานหนุ่มทั้งสองอีกครั้งเกิดเข้ามานอนอยู่ในกระโจมเดียวกับพวกเราข้างนอกตลอดคืนตอนที่พรานใหญ่จะพระออกไปก็คงมีเสยกับพลานใหญ่เพียงสองคนเท่านั้นใช่ไหมที่ดูแลบริเวณอยู่แล้วขอยรับฟังข่าวว่าทั้งสี่คนของพวกเราจะกลับมาเมื่อไร ครับในห้างผมอยู่ยามจนถึงเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็นอนมีพวกลูกหาบขึ้นมารับเวรต่อแต่พวกลูกหาบก็นั่งหลับในห้างไปถามอะไรคงไม่รู้เรื่องหรอกเจดตอบอย่างฉลาดเท่าที่สมองของตนจะสั่งการได้ระหว่างที่เสือ ย, ยังไม่ห ล, หลับเห็นพรานใหญ่เคลื่อนไหวอย่างไรบ้างไหมลองเล่าให้ฟังสิเขานอนรู้ว่าทําอะไรอยู่ตรงไหนพอพวกในห้างเข้ากระโจมหลับกันไปหมดแล้วผมเห็นนายเดินไปเดินมาอยู่รอบๆที่พักของเราบางทีเขาออกเดินตรวจบริเวณหายเอาไปคนเดียวแล้วก็กลับมานอน่จะนอนหลับหรือเปล่าผมไม่รู้ เราอยู่คนคนละแหง่งไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยแต่ผมรู้ว่าแกไม่สบายใจมากที่ยังไม่ได้ข่าวพวกเราสี่คนจนกระทั่งมาปลกผมตอนใกล้รุ่งจงจดหมายฝากไว้ให้อย่างที่ผมบอกแล้วนั่นแหละสเตนลีย์หันไปทางคีละอิสซาเบลแสดงว่าระหว่างที่พวกเราหลับเป็นตายเราพินไม่ได้หลับเลยเขาจะต้องกระสรับกระสายรอฟังข่าวพวกนั้นตลอดทั้งคืนแล้วมาตัดสินใจออกตาม เ, มเวลาตีสี่อย่างที่เขาเขียนบอกไว้ในโน้ตไปคนเดียวทิ้งเจ้าพรานเด็กหนุ่มสองคนนี้ให้ดูแลแทนเขา รวทั้งสั่งให้นำทางไปยังห้วยเสือร้องด้วยงั้นก็แปลว่าจวนจากเวลาตีสี่จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นับตั้งแต่เขาออกจากที่ที่ไปลำพังเป็นเวลานานถึงเกือบหกชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เบลถามเสียงแตกพร่าหลอนเริ่มขวัญเสียเป็นอย่างมากรู้สึกเปลี่ยวเปล่าวโดดเดี่ยวขึ้นมาในฉับพลันเมื่อตระหนักแน่ว่าบัตรนิรพินภัยวันไม่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเสีแล้วและอีกสี่คนที่พลัดพรากจากไปก็ไม่มีหวังที่จะได้กลับคืนมา นั่นหมายถึงตายกันหมดแล้วเพียงแต่หลอนเมื่อไรขนาดในคิดเองที่ว่าผ่านศึกฆ่าคนมานับร้อยนับพันยิงระเบิดและยิงกระได้ปืนคนมาแล้วปัดนี้ก็ยังหน้าเหลือสองนิ้วถ้าคํานวณดูตามเวลาที่เขาเขียนบอกไว้นี่ก็ใช่เขาแอ บ, บไปเมื่อห้าหกชั่วโมงที่แล้วเมื่อรู้สึกว่าทั้งสี่คนจะไม่หวนกลับมาที่นี่ก่อนตะวันขึ้นเ้าคงทนที่จะรอคอยต่อไปไม่ไหวึงออกตามใช่เองที่แอ บ, บนี้ไปโดยไม่บอกให้เรารู้ล่วงหน้าก็ เ, าเพื่อตัดปัญหา ให้ประสงค์ให้เราติดตามไปกับเขาด้วยปราะพินรู้ว่าการไปคนเดียวจะคล่องตัวกว่าที่พวกเราคนใดจะตามเข้าไปด้วยให้เป็นภาระและฉันเชื่อด้วยว่าเขาคงสั่งคนเขาไว้ว่าไม่ให้ปลุกเราโดยปล่อยให้พวกเรานอนพักผ่อนกันให้เต็มที่ตื่นขึ้นเองเมื่อไหร่จึงให้เซยเอาจดหมายให้ไม่เช่นนั้นเซยกับเกิดคงรีบปลุกเราเมื่อตอนย่ำรุ่งแล้วที่ปล่อยให้นอนชื่อจนตื่นสายผิดปกติมันประกอบกับที่เราเพลียกันมากเมื่อวานที่ผ่านมาและอากาศมันหนาวหมอกคลุมไปหมด ไม่รู้ว่าเวลาล่วงไปเท่าไหร่นึกว่ายังมืดอยู่สถานการณ์มันไม่เข้าท่าเลย <Bob. S 1> แฮบบ๊อบจะคิดยังไงคีดฝืนหัวเราะแค่นแค่นโรล่ อ, ออกมาทางด้านไหนก่อนอื่นสี่คนที่หายไปริชเชิร์ดวุดกับพลานอวบอโศของเขาสองคนหัวหน้าคณะยักไหลพูดเบาที่สุดแบบสวดในานามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์อาเมนเบลร้องไห้หัวมือทั้งสองปิดหน้ากายสั่นเทิมไปหมด ขีโดดเข้าประคองไว้ขย่าตัวแรงๆและพร่ำปลอบโยนอยู่พักใหญ่แต่ผมแดงหมดเรี่ยวแรงมืออ่อนตีนอ่อนไปหมดระยะเวลาชุนมุนที่เบลมีอาการคลุ้มคลั่งด้วยความเสียใจและประวัดหวาดซึ่งผู้ชายอีกสองคนช่วยปลอบอยู่นั้นเกิดกับเซยที่นั่งหน้าทื่อมาลืเหมือนไม้ตีพลิกเงียบกริบเป็นเวลาหลายนาทีกว่าที่เบลจะสงบสติอารมณ์ลงได้แต่ยังน้ําตาไหลพักอยู่เช่นนั้นกัดเลิมฟิปักจนแทบพ่อเลือดเอามือทั้งสองกุมศรีรษะไว้ไม่ยอมพูดจาอะไรอีกราวนี้ก็เป็นหน้าที่ที่้าานนนจะหนหนาหาััรือก คือแซนลี่และคีธสี่คนตายหนึ่งคนออกตามอย่างไร้ประโยชน์ทิ้งเรากับขบวนไว้ทั้งหมดไว้ในความดูแลของเด็กหนุ่มเพียงสองคนทีนี้ฝ่ายเราจะเอาอยัางไงกันต่อไปดีในผมในผมทรงลานบินถามเพื่อนผู้อยู่ในฐานะนายหรือหัวหน้าของตนขึ้นจะเป็นทหารคีธควรจะต้องรู้ว่าวินในคืออะไรสถานการณ์ขับขันครั้งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่ารพินอันเปรียบเสมือนกับตันผู้นำของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเขาสั่งกําชักไว้อย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาเอาละ่ะจัดการตัวเองของพวกเราสามคนให้เรียบร้อยภายในครึ่งชั่วโมงนี้แล้วเคลื่อนย้ายลงที่หมายที่เขากําหนดไว้ให้เพื่อรอเขาอยู่ที่นั่นตามคําสั่งให้ครบยี่บสี่ชั่วโมงเสียก่อนแล้วค่อยหาเรือกันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อไปากระพินยังไม่กลับสแตนลีย์บอกยังเฉียบขาดหนักแน่นสมกับความเป็นหัวหน้าคณะตกลงท่านนั้นเป็นการตัดสินใจของแกแต่ฉันอ่านใจไอ้เสือนั้นไม่ถูกเลยเขาก็ต้องเชื่อมั่นเท่าๆกับเรา ต้องแน่ใจว่าสีคนนั้นไม่มีโอกาสรอดอีกแล้วแล้วเขายังจะออกติดตามไปอีกทําไมฉันคิดว่าฉันพอจะอ่านใจระพินออกช่องว่างหรือความหวังเพียงหนึ่งในพันในหมื่นจะไม่ทําให้คนคนนี้ทนนิ่งดูได้ได้เลยเขาจะต้องแสวงหาความจริงให้ได้ในฐานะเป็นผู้นําของพวกเราทั้งหมดในฐานะพราหรือมคุเทศันยิ่งใหญ่มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเกียรติยศของเขาซึ่งยากที่คนอื่นจะเข้าใจคนคนนี้เป็นคนน่านับถือคิด เขาจะไม่ยอมทิ้งพวกเราแม้แต่จะตายไปแล้วก็ตามและสิ่งสลดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาเป็นต้นเหตุแต่เป็นคราวเคราะห์ของสี่คนนั่นเองตั้งแต่เราสามคนยังได้นอนพักกันบ้างแต่เชื่อวรพิน์ไม่ได้พักผ่อนเลยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคนจริงแบบนี้แหละที่เราต้องการเขาซื่อสัตย์จริงใจต่อหน้าที่ของเขาไม่คิดว่าเขาจะหนีหรือหลบหน้าเราไปบ้างหรือคีดกระซิสแตนลี่หัว ร, อกกร้องเย็นเตรียมในลําคอ คนคนนี้เป็นคนกร้าหาและรับผิดชอบอีกประการหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นความผิดลรืบกพร่องของเขาเลยทำไมเขาจะต้องหนีหรือหลบหน้าเราฉันเองก็คงไม่นับถือน้ำใจเขาเหมือนกันถ้าหากว่าตื่นมาในเช้าวันนี้คริสและเชอร์วูดยังไม่กลับมาและเขาผู้นั้นก็ยังนอนสบายเป็นทองไม่รู้ร้อนถามอะไรไม่รู้เรื่องอยู่ในแคมป์เขาจะต้องทาอะไรสักอย่างที่เหมาะสมกับการเป็นพรานใหญ่การเป็นผู้นาของเขา และสิ่งที่เขาทําไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเห็นว่าเหมาะควรที่สุดแหละคนขี้ขลาดมีนิสยัยปัดความรับผิดชอบจะไม่ทําอย่างนี้ถ้างั้นทําไมเราไม่ช่วยร่วมมือกับเขาโดยช่วยออกตามไล่หลังเขาไปก็ยังดีอย่างน้อยก็หลายแรงดีกว่าแรงเดียวเขาเองอาจต้องการความช่วยเหลือก็ได้อย่าพูดโง่โง่คิดมีใครบ้างที่จะคล่องแคล่วชํานาญป่าเท่ากับเขาการตามไปจะทําให้เสียแผนทั้งหมดของเขา ให้เราไปรอตามที่หมายกําหนดประเดี๋ยวได้คลาดกันยุ่งไปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งใครจะรับรองในอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างติดตามแทนที่จะสูญเสียเพียงสองคนก็อาจเพิ่มเติมเป็นสามสี่หรือหมดทั้งคณะพวกเราก็ได้เพราะฉะนั้นการร่วมมือที่ดีที่สุดของเราซึ่งอยู่ด้านหลังนี่ก็คือทําเฉพาะที่เขาสั่งก่อนชิดอึง้งจํานวนต่อเหตุผลที่เหนือกว่าของหัวหน้าคณะและมองไปทางเกิดกับเสย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 แล้วแซลลี่ก็จ้องไปทางเกิดและเสยถามเป็นงานเป็นงานเป็นการว่าเกิดเสยตอนนี้ชีวิตพวกเราทั้งหมดฝากไว้กับเธอทั้งสองคนแล้วเธอแน่ใจไหมว่าจะนําทางและคุ้มครองพวกเราที่ระหว่างเส้นทางยอดสักดำกับผู้เสีอร้องได้โดยปลอดภยัยเกิดยิ้มแค่นแค้นไม่ต้องห่วงในห้างถ้าตายเกิดกับเสยตายก่อนใครทั้งนั้นระยะทางมันก็ใกล้ๆสะดวกสบายแค่นี้เองเดินอย่างมากไม่เกินสองชั่วโมงครึ่งก็จะถึงแล้ว ที่นายและพินให้ย้ายไปพักอยู่ที่นั่นก็เพราะมันเป็นจุดหมายเดิมของเราที่พักสะดวกสบายกว่าที่นี่มากน้ําท่าก็มีแยะพวกกระเลียงอกพยศก็อยากไปรวมอยู่กับญาติพี่น้องที่ห้วยเสือร้องเต็มที่แล้วจะมารอคอยอยู่บนนี้มีประโยชน์อะไรหัวนหน้าคณะพยักหน้าอ ย, ย่างพอใจพวกลูกหาบของเราและกะเรี่ยงพวกนั้นรู้เรื่องแล้วอย่างว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนรู้แต่เพียงสี่คนยังไม่กลับมาการใหญ่ออกตามคนเดียวส่วนพวกเราที่นี่ต้องย้ายไปห้วยเสือร้อง ถ้างั้นเตรียมตัวได้แล้วประเดี๋ยวทางนี้พร้อมเราจะเริ่มออกเดินทางทันทีแซนลี่สั่งยังตัดสินใจเด็ดค่ะเกิดและเสยลุกขึ้นไปร้องตะโกนสั่งการอะไรโวกเวกมีการเคลื่อนไหวในบรรดาพวกลูกหา่าและก็เรียงอพยพทั้งหลายส่วนแซนลี่และคีต ก, ก็ตรงมาที่อิสเบลที่ยังนั่งคุมศีรษะอยู่ประคองให้ลุกขึ้นทำํำใจให้เข้มแข็งไว้เบลเราจะออกเดินทางภายในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วเตรียมตัวเถอะอิสเบลพยักหน้าอย่างเลื่อ น, น้อย พ, พึมพำเหมือนกระซิบว่า ฉันสงสารคริสสงสารเชริดบุษและพระานอีกสองคนนั่นทั้งสี่คนไม่น่าจะชะตาขาดเอาเพียงแค่นี้เลยประพินเองก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาพบพวกเราอีกหรือเปล่าขาดเขาเสียคนเดียวพวกเราที่เหลือก็เหมือนถูกลอยแพอยู่กลางตาาพะพินสะดุ้งรู้สึกตัวว่ามีมือของใครคนหนึ่งเขยาวปลุกเพราะกับเสียงเรียกเบาๆซึ่งจาได้ว่าเป็นเสียงของบุญคานั่นเองลืมตาทุกสิ่งทุกอย่างยังมืดมิดเหมือนเดิม รู้แต่เพียงว่าเขาได้หลับไปแน่ๆช้านานเท่าใดไม่ทราบได้โดยเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเพราะถูกเขย่าปลุกนี่เองครางตอบออกไปว่าเฮ้ยแล้วก็ถามว่าจัน์ล่ะจันอยู่นี่นายเจ้งของสมุนซ้ายตอบมาและแตะเกียงแบตเตอรี่แห้งก็สว่างขึ้นเกิดจากการกดสวิตช์ของใครคนหนึ่งในระหว่างสองพอมีแสงสว่างก็งเห็นทั้งคู่นั่งอยู่ใกล้ๆเขารานใหญ่เอาผ้าขาม้าที่เคียนเอวอยู่เช็ดหน้าแรงๆพร้อมทั้งข ย, ยี้ตาแล้วลุกขึ้นนั่ง รู้สึกพอจะมีกำลังชุ่มชื่นขึ้นมาเล็กน้อยเพราะได้พักยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นเป็นเวลาสิบจุดหนึ่งนทั้งสองคนตื่นนานแล้วเหรอจักไม่กี่อึดใจมานี้เองไอจันตื่นก่อนปลุกบุญคำและบุญคำก็ปลุกนายไม่รู้เราหลับกันไปนานแค่ไหนเวลาเท่าไหร่แล้วล่ะนายเสียงบุญคำถามสีโมงเช้าแล้วฉันก็หลับแบบตายสนิทไม่ไปเหมือนกันเป็นยังไงทั้งสองคนพอมีแรงหรือยัง ได้พักสาสี่ชั่วโมงก็พอมีแรงสู้ไปได้อีกทั้งวันและนายเอากันหรื อ, อยังละ่ะนายสั่งเลยจะให้ทํำยังไงทั้งสองพรานคู่ชีของเขาตอบอย่างมั่นคงเป็นเสียงเดียวกันประพินควา้ากระติกบบบาลานดีที่เหลืออยู่เพียงไม่ถึงหนึ่งในสีของที่บรรจุอยู่ขึ้นมากรอกใส่ปะและส่งแจกจ่ายเป็นการเติมความกระชุ่มกระ ช, ระชวยให้แก่ลูกศิษย์ทั้งสองซึ่งรับไปจิบกันอย่างประหยัดคนละอึกท้องกําลังว่างดีกรีร้อนฉาผ่านลงไปถึงกระเพาะเลือดลมเริ่มเดิน รีบกเปล่าขึ้นมาทันทีคราวนี้จะมุดกันไปถึงอะโลกโกลกันขั้นไหนทั้งบุญคำและจันไม่ยั่นแล้วพร้อมนะพร้อมนายเอาละลองดับไฟลงก่อนสิจันกดสวิตช์ไฟดับวูปลงทันทีรอบด้านกลายเป็นความมืดสนิทตามเดิมระพินพยายามมองสำรวจไปรอบด้านมันเปรียบเสมือนม่านดำมาปิดบังไว้หมดหรือมีชันั้นก็ถูกขังอยู่ในห้องล้างฟิล์มฉะนนั้นไม่เห็นช่องทางหรือแสงสว่างใดๆ จะเป็นจุดสังเกตได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะนาฬิกาข้อมือที่ชี้บอกเวลาอยู่เขาก็จะไม่มีโอกาสทราบได้เลยว่าขณะนี้มันเวลาเท่าไหร่เข้าไปแล้วพรานใหญ่เอ็นตัวลงพังภาพราบกับพื้นพยายามมองย้อนกลับไปทางเก่าซึ่งพากันเลื้อยผ่านเพดานต่ำเตี้ยเกือบจดพื้นกันเข้ามาแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรอยู่เช่นนั้นนอกจากความดําตื้อบุญคําและกันก็ทําอาการเดียวกันกันกบเขาคือ ช่วยสังเกตช่องทางในความมืดโดยไม่ใช้แสงสักช่วยเลยประพินป้ายหลังมือขยี้จมูกเราจะย้อนกลับทางเก่ากันละ่ะสิ่งที่เราจะค้นหาเป็นอันดับแรกก็คือตำแหน่งที่อาจมองเห็นแสงสว่างบ้างเอาสักแค่จุดลิปรี่หรือหลางๆก็ยังดีคราวนี้ฉันจะนําเองทั้งสองคนคอยตามมาก็แล้วกันเราจบสุภาพบุรุษไทยก็ตวัดเป้หลังขึ้นไหลคว้าไรเฟิลและไฟฉายประจําตัวลุกขึ้นยืนเต็มส่วนตัดของเขา รอบบริเวณโพรงที่มานอนตรงที่เคยเป็นปากทางซึ่งบัดนี้ถูกอุดตันนั้นสูงขึ้นไปพอประมาณเขาเริ่มใช้ไฟฉายส่องกราดคํานวณทิศทางให้เห็นและจําได้ก่อนจากนั้นก็ดับไฟลงอีกค่อยๆเลาะผนังไต่เรียบริมถ้าย้อนกลับไปยังตําแหน่งที่เลื้อยผ่านกันไปกันมาเมื่อคืนซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มากนักชั่วไม่นานโดยความชนานาญที่ผ่านมาก่อนแล้วทั้งสามก็มาถึงบริเวณดังกล่าวคราวนี้ใช้วิธีเดินกันเมื่อตอนเมื่อตอน ถามมาคือพังภาพเหยียดยาวลงกับพื้นกระดืบกลายเลื้อยอยางระมัดระวังลอดช่องแคบเที้ยไปยังเช่มช้าโดยใช้ไฟฉายส่องเป็นระยะระยะไปหนอมแบตเตอรี่ไว้เพื่อใช้งานข้างหน้าให้ได้มากที่สุดทั้งสองคนมีใต้ติดกันมาบ้างหรือเปล่านี่เขาถามขณะที่กระดืบตามกันมาไม่มีเลยนายแต่พี่คำน่าจะมีเทียนขี้พึ่งสักเล่มหนึ่งเพราเห็นแกมีติดตัวอยู่เสมอจันเป็นคนบอกบุญคําก็รับว่าพอมีรุ่นขนาดหัวแม่มือเขื่อง และยาวประมาณคืบเศษแต่ขณะนี้จะ อ, อยู่เพียงราวสี่นิ้วพระจุดใช้ไปบ้างแล้วในพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างของแกนายจะเอาไว้ทําอะไรตาเท่าถามปล่าหรอถามเผื่อไว้อย่างนั้นแหละถ้าจําเป็นจริงๆฐานไฟใช้ทั้งในกระบอกไฟฉายและแตะเกียงนี่หมดมีเทียนหรืออยู่สักเล่มก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเสียเลยไม่งั้นมองอะไรไม่เห็นนายกับว่าเราจะอยู่ในนี้กค้นหาช่องทางนานสักเท่าไหร่ยันถามขึ้นบ้างครานกันไปก็หาหรือปรึกษากันไป ยังบอกไม่ถูกว่าเราจะใช้เวลาอยู่ในเส้นทางใต้ทํานี่นานสักเท่าไหร่ถ้าหากทางแยกที่จะนําไปเชื่อมกับช่องทางสายอื่นไม่พบมันก็คงไม่นานหรอกแต่ถ้าพบเราก็ต้องซอกซอนกันไปจนถึงที่สุดนั่นแหละมีทางที่ไหนเราถึงนั่นจะมีสะเสบียงเครื่องกระปรองที่จะแบ่งประทังชีวิตกันอย่างน้อยก็อีกสามมือว่าแต่บุญคำหรือจั์พอมีน้าเหลือบ้างไหมไม่มีเลยนายแต่น้ําในถ้านี่คงหาไม่ยากน ะ, ระตรวจ ด, ดูแล้วบางแห่งมีตาน้ําไหลซึมอยู่ตลอดเวลา พอสายดูดกินไดงมั่งเรื่องน้ำในถ้ำนี้คงไม่อดหรอกแล้วก็จริงดังคนของเขาว่าระหว่างที่คลื่นลานกันไปนั้นท่ามกลางความเงียบระพินสำเนียกระพินสำเนียกเสียงหยดน้ำอยากจะแก่งแง่หินตอนใดตอนหนึ่งในรัศมีใกล้เคียงหยดลงกระทบพื้นเป็นจังหวะอยู่ตลอดเวลาเป็นถ้ำที่ชุ่มชื้นและเย็นช่ำอยู่ตลอดกาลสะอาดหมดจดปราฉาจักมูลสับหรือสิ่งสกรปรกใดๆทั้งสิ้นอย่างน่าพิศวง ผ่านเพดานหินที่กดเตี้ยลงมาแทบจดพื้นอันเป็นบริเวณที่อึดอัดอากาศเบาบางที่สุดออกมาได้ก็สู่แนวทางที่สะดวกในการเคลื่อนไหวตามเดิมทั้งสามยันกายขึ้นมานั่งพักเหนื่อยแล ะ, ะเตรียมตัวที่จะคืบหน้าต่อไ ป, ประพินจำได้อย่างแม่นยำโดยการทบทวนย้อนกลับไปอีกไม่เกิน30สิบเมตรเท่านั้นก็จะถึงบริเวณอันเป็นปากเหวใหญ่ที่ขวางทางอยู่ซึ่งเมื่อคืนเป็นตาแหน่งที่เขาเสียเวลาสำรวจมากที่สุด รวมทั้งได้ทดลองตะโกนทาเสียงดังให้สะท้อนกล้องขึ้นไปเบื้องสูงแล้วเก็บเป็นข้อคิดอยู่ป่า น, นี้ขุนเขาและพรเขาปลายเบื้องนอกคงจะสว่างสวยไปด้วยแสงตะวันประพินคิดแต่ในทําไม่มีแสงอะไรให้ค้นพบเลยเพราะว่าเขาก็ยังมั่นใจอยู่อย่างเต็มที่ในข้อที่ว่ามันจะต้องมีช่องทางให้อากาศถ่ายเทเข้ามาได้เพราะมีฉะนั้นแต่ออกซิเจนที่ไหนมังหายใจอยู่ได้ในขณะนี้เนื่องมาจากพากันมุดเข้ามาจากปากทางด้านโน้นไกลริบลับเช่นนี้ ซึ่งความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์เช่นนี้ทั้งบุญคําและกันไม่มีโอกาสจะทราบได้รวมทั้งไม่เฉลียวคิดด้วยไม่มีการเตือนกันพระาะเริ่มเคลื่อนลูกติดทั้งสองเข้าไว้ตัวตามใ้ทันทีกระปินคงใช้วิธีเดิมคือส่องไฟเป็นจังหวะจังหวะไปแล้วก็งงไปในความมืดอาศัยจากภาพที่มองเห็นในลําแสงไฟที่ส่องเป็นชั่ววาวขณะที่เดินก็ใช้มือควานคําออกไปก่อนป้องกันไม่ให้โขถหินที่โพรง่งเป็นแง่เป็นมุมอยู่สลับซับซ้อนเหล่านั้นชนกระทบกับศีรษะหรือร่างกาย ไม่มีอาไจะต้องห่วงบุญคำและจันตามอยู่เบื้องหลังเพราะชํานาญเส้นทางดีอยู่ก่อนแล้วทั้ง3ไปกันได้อย่างคล่องตัวที่สุดแต่ไม่มีการประมาทหรือชล่าใจเลยระวังกริบกันทุกอิริยาบถเคลื่อนไหวและเมื่อเจ้านายไม่พูดสองคนก็เลยพลอย เ, เงียบกริบเพราตระหนักใจดีว่าพรานใหญ่กําลังใช้ความคิดหนะักและแล้วก็ย้อนกลับไปถึงปากเหวใต้ภูเขาภายในถ้ำนรกแห่งนั้นพระพิณสั่งให้จันพูดถือตะเกียงแบตเตอรี่เปิดสวิตช์ขึ้นทันทีเพราะเป็นเส้นทางอันตรายยิ่ง หอดีหล อ, หลอ เ, เล็กเล็กพลังเจตฐานไฟฉาย6 ก, ก้อนสว่างนวลขึ้นก็ช่วยมองเห็นเส้นทางได้ในระยะรอบตัวใกล้ๆขนาดนั้นเองจันผู้มีหน้าที่ชูตะเกียงไฟฟ้าส่องดูก็ร้องเฮวออกมาดังร้านกระโดตัวลอยหงะหลังพึ่งก้นจำเบาลงกับพื้นระพินกับบุญคำกําลังพิจารณาอยู่ปากคอเพลวิงกับสะดุ้งตัวด้วยความตกใจหันขอบไปมองไม่เห็นอะไรเสียแล้วหลอดตะเกียงที่อยู่ในมือจันดับมุกกลายเป็นความมืดมิดดำสนิทไปทันทีระพินฉายไฟกาดไปที่จัน์พร้อมกับเสียงร้อง ต ว, วายังกึืนตกใจกลืนโมโหของบุญคำว่าไอ้จานนั่นเองเป็นอะไรไปงูงับหรื อ, อยังไงจะกําไฟฉายของจองพรานที่ศา จ, จ้าไประยะห่างกันแค่สามวาร์เท่านั้นทั้งเขาและบุญคํากับจันนั่งพระพระมือกลางปีนกลางอยู่กับพื้นตะเกียงที่ถืออยู่ในมือหุดจะเด็นกลิ้งไปอยู่พื้นหินใกล้ๆตัวกันนั่งตาเหลือกเหมอือนคนกําลังช็อกลิ้มพิปากสันเขียวกระพินโจรพรวดเดียวถึงคนของเขาก้านใจและตบฝ่ามือขวาชาลงมาที่กา้านคอ จันแทบพัวทิมแต่ก็สะดุง้งรู้สึกตัวขึ้นมาได้เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำก็โจรเข้ามาสมทบจันละล่างละละักโวยวายออกมาว่านะนายนายไอ้นั่นมันแยกเคี้ยวอ้าปากจะงับจันสิ่งที่จันชี้บอกคือแท่งหินงอกลักษณะประราธาหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากระดับพื้นเป็นเงาตะคุ่มอยู่สูงเพียงแค่เอวเมื่อเราพินส่องดูเขาก็ชะงักไปเหมือนกันเพราะสันฐานของมันเหมือนคนถูกตัดขาดครึ่งตัวเมือมีฉะนั้นก็โผล่ขึ้นมาครึ่งตัวจากพื้นหินที่ส่วนศีรษะส่วนคอส่วนอันเป็นนนออกกกแลล่่่าางงยยททบเคคีีสุด บริเวณที่มองดูเป็นแขนทั้งสองข้างขาดด้วนเพียงข้อศอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณที่เป็นทรงใบหน้านั้นแลดูหน้าขนลุกชวนขวัญหายเป็นที่สุดเพราะพอจะเพ่งดูให้เป็นคิว้วตาจมูกและริมฝีปากที่อยู่ในสภาพเแยเฉดชัดพอประมาณทีเดียววุ่นคาเองพอมองเห็นลำไฟฉายส่องพอผงะหลังไปก้าวหนึ่งเหมือนกันแต่รพีนยืนพินิจจ้องข้าเมงว่าแปลกที่เขาส่องดูเรากับว่ามันมีชีวิตเคลื่อนไหวเสยยิ้มให้กับเขาแต่เมื่อเพ่งข้าเมงไปด้วยดวงจิตกล้าแข็ง มันก็คือก้อนหินธรรมดานั่นเองเพียงแต่สุดทรงสันฐานชวนให้ตาฝาดได้เท่านั้นก็ยังจับไปฉายนิ่งอยู่ที่นั่นแล้วอยู่แขนจันเห็นลูกขึ้นยืนบอกต่ําๆว่าเหลวไหลจริงๆ จ, จันนี่เป็นก้อนหินอะไรไปนะเห็นก้อนหินเป็นอะไรไปได้สาบานให้ตายอยู่คาถ้านี่และนะแต่กี้นี้มัน เ, นเป็นคนชัดๆคนโผล่ขึ้นมาจากพื้นหินครึ่งตัวจันส่องไฟเห็นเข้าชนิดเดินเกือบเข้าไปชนลอมาล่อมันอ้าปากจะงับจันจริงๆไม่ได้ตาฝาดเลยตาสองข้างแดงโลดยังก็เข้ายังก็ใต้เข้าไปจุดไว้ ร้องบอกขึ้นพันกันแทบไม่เป็นพันลิ้นพันกันแทบไม่เป็นภาษากายสั่นเทาไปหมดรพินจุ่ปากลัน่นผิดโท่โไอ้บ้าก็เห็นชัดชัดอยู่ว่าหินงอกคาเส้นทําเสียเส้นจริงๆเจ้านี่ปากเขาพูดไปเช่นนั้นแต่ในใจภาวนาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์แล้วเป่าลงบนฝ่ามือตกลงไปที่ศรีรษะของสมุนซ้ายอีกครั้งปลุกสติสามเัญจะให้กลับคืนมาก่อนที่จะจะเตลิดวิ่งหลุดลงเหวไปจันทุปพวดยังหมดแรงลงไปจ้ำเบากับพืชอีกครั้ง แต่ดูจะมีอาการดีขึ้นอย่างคนคุมสติได้ยกมือขยี้ตาจ้องแล้วจ้องอีกบุญคําเองก็เบิกตาจ้องไปที่หินก้อนนั้นเหมือนกันอย่างขะเหมิงครูหนึ่งแต่ก็หันหน้าไปจ้องเจ้านายในเงาสลัวของแสงไฟฉายแล้วมองไปยังหินรูปครึ่งท่อ น, นั้นอีกครั้งหัวรอเสียงพิกลในลําคอแต่ก็ช่วยพูดกรบเกลื่อนมาให้สอดคล้องกับคําพูดของเจ้านายไอ้จันเออเองมันแย่เต็มทีแล้วนี่ดีไม่เพ่นตกเหวลงนรกไป แค่สะดุดก้อนหินก้อนเดียวก็ตาฝานเห็นอะไรไปได้แล้วนั่นตะเกียงไฟฟ้าทําไมมันถึงดับมืดตี ด, ด้วยหยิบขึ้นมาสิบุญคำสวิตช์อาจปิดก็ได้ตอนจันทร์ทําตกถ้าเปิดแล้วไม่ติดเขยาเ่าแรงๆเข้ามันจะติดเองระพินสั่งเรียบๆบุญคําก้มลงไปหยิบตะเกียงแบตเตอรี่ขึ้นมาสวิตช์เลื่อนไปในตําแหน่งปิดจริงๆคงเป็นเพราะแรงสะเทือนที่จันรลมและหล่นแต่เมื่อตาเท้าเปิดสวิตช์มันก็ไม่ยอมติดเหมือนหลอดจะขาดหรือคนไกลอะไรชํารุดฉะนั้นระพินลําคาญเต็มทีคว้าขึ้นมาได้ก็เขยาเ่าแรงๆอยู่สองาครั้ง ดีออนจึงสว่างนวลขึ้นตามเดิมหินงอกอันมีลักษณะเหมือนคนค่ะคนขาดครึ่งตัวนั้นปัดนี้ท่ามกลางแสงแตะเกียงและลำไฟฉายมันคงเป็นเพียงแต่เพียงรูปล่างละไม้เท่านั้นจันเริ่มขวัญดีขึ้นสะบัดอะไรพัมเดินเข้าไปยกเท้าขึ้นทีบริเวณที่มองเห็นเป็นรูปศีรษะคำรามออกมาว่านี่เนะไอเวตรตะไลตะกี้มึงจะงับกูให้ได้กูไม่ได้ตาฝาดสักหน่อย พ่านายบอกให้เปิดเปิดไฟปั๊บก็เห็นกันจังหน้าพอดีใจหล่นไปถึงปลายตีมรานใหญ่ล้างคุณของเขาออกมาเมื่อเห็นจันยกเท้าฉีดซ้ำๆอย่างมาโมโหโกรธจันท์อย่าทําเก่งไปเลยตอนนี้ตะกี้ร้องเสียงหลงทำา อ, อกตกใจไปหมดถอยออกมาเธอประเดี๋ยวมันก็จะแยกเขี้ยวงับไปอีกเท่านั้นจันหัวละแหะถอยออกมาโดยดีแต่ยังจ้องดูอย่างพินิจอยู่เช่นนั้นพรางบนว่าถามมาขาไปผ่านอยู่สองสาเที่ยวแล้วไม่เคยเห็นอย่างที่เห็นตะกี้เลยอีกคราวนี้จะเล่นเอาจันทร์ได้ หัวโกรนทีเดียวเลย น, นายดูให้ดีๆเถอะไอหินอุบาทก้อนนี้รูปร่างมันเหมือนหินทั่วๆไปเมื่อไหร่ยังจะคนโผล่ขึ้นมาจากพื้นทำํำครึ่งตัวยังไงอย่างนั้นบุญคําเลี่ยงเขามายืนใกล้เขากับซิบเบาที่สุดวะไอจันไม่ได้ตาฝาดหรอกนายมันจะเล่นงานไอจันจริงๆทีดีว่านายมาด้วยไม่งั้นยุ่งทีเดียวละ่ะส ก, กี้นี่ลําพังบุญคำํำคงเอาไอจันไว้ไม่อยู่หรอกถ้าไม่เล่นลงไม่เล่นลงเหิวว่าดีฝอชักดินชักงออยู่ตรงนี้ไปแล้ว บุญคำก็พลอยเหลวไหลไปอีกคนไม่มีอะไรหรอกนายเขาเอ็ดเบาๆจันไม่ได้ยินแต่บุญคำพูดกับนายว่ายัางไงได้ยินเฉพาะเสียงเสียงระพินดุลูกพี่ต้นเท่านั้นหันหน้ามามองระพินจึงเปลี่ยนความสนใจเสียโดยบอ ก, ก บ, บุญคำด้วยเสียงปกติว่านายว่ามีเทียนที่เพิ่งติดมาด้วยเล่มหนึ่งไม่ใช่หรือตะคําส่งมานี่สิบุญคำล้วงมือลงไปในย่ามอึดใจก็งัดเอาเทียนที่มีรอยจุดเอาไว้ก่อนแล้วครึ่งเล่มส่งให้ระพินรับมาแล้วส่งต่อให้จันสั่งง่ายๆว่าเอา้าจันนั่นแหละจุดเทียนเล่มนี้ขึ้น และตั้งเทียนไว้บนหินก้อนนั้นตรงบริเวณที่ดูเหมือนหัวนั่นจันยิ้มแห้งๆดีๆแ ล, ล้วรอลักษณะครึ่งขาดครึ่งกล้าพอรพิน์ตะวาดมาเบาๆสั่งให้ทําเอาเทียนเดินเข้าไปจนชิดจุดไฟติดไส้ขึ้นพอเอียงเทียนเพื่อจะให้น้ําตาเทียนหยดลงไปก่อนสําหรับติดได้ถนะัดก็ปรากฏว่าเปลวไฟที่ติดอยู่บนปลายเทียนมีอันเป็นดับวูบลงทุกครั้งพอครบสามครั้งเทียนมีอันเป็นไปต้องดับลงทุกครั้งจันก็ถอยหลังกรูดมาชนพะสั่นหัวโดยเร็วบอกเสียงรัวไม่ไหวหรอกนายมือจันทไม่ถึง มันเป่าดับเอาทุกทีก็ทําไมจะไม่ดับล่ะมี่อย่างลึกเวลาจะหยดน้ําตาเทียนลงไปดันเอียงเทียนเสียเกจะคว่ำอย่างนั้นเปลวไฟมันก็ดับสิเอาบุญคําเข้าไปจุดแล้วติดสิต้หันไปบอกกับบุญคําตะพานท่าผู้แรงทางสายเวทเหนือกว่าลูกน้องยิ้มเล่นเลียนเอาละเมื่อนายใช้บุญคําก็จะลองดูแต่ไม่กล้ารับรองว่าจะติดหรือเปล่าว่าแต่นายบอกบุญคําก่อนนายจะทําอะไรเถินหน้าไปติดเทียนตรงนั้นก่อนก็แล้วกันประเดี๋ยวรู้เอง บุญคำก็แน่จริงเหมือนกันแกรับเทียนมาจาัดจันทันทีจบขึ้นเหนือศีรษะสวดภาวนาพุ่มพันธ์อะไรอยู่อึดใจก็ยืน่นส่วนไส้ของเทียนไปทางเขานายจุดไฟเช็คติดกับไส้เทียนข้าบุญคำจะเอาไปติดที่นั่นเองตรานใหญ่สบัสดซิปโปสว่างเ ป, เปรูบววขึ้นจอติดกับไส้เทียนให้พรติดได้ดีดที่ดีแล้วบุญคำก็ก้าวช้าๆทำปากมุกหนีบสวดคถาก้าวไปจนชิ้นหินประหลาดรูปศีษะคนก้อนนั้นแล้วหยดน้ำตาเทียนลงโดยภาวนาไม่ขาดปาปรากฏว่าเปลวไฟไม่ดับน้ำตาเทียนสีหยดหล่นลงบนประทับย่อินนนตแหง้ ดูอันเป็นศีษานั้นพอให้เป็นฐานแล้วแต่เท้าเจ้าพิธีสยศาสตร์ก็กดลำเทียนลงไปมันติดสนิทมั่นคงตั้งลำตรงแนวส่งประกายจากเปลวที่ลุกติดไส้ตั้งเป็นกรวยแสงไม่มีกระดิกรอวกับเทียนที่จุดอยู่ในครอบแกลอาเป็นรัศมีอยู่เรืองรองติดเทียนเสร็จบุญคาก็ถอยหลังกลับมารัพินตบหลังแกอย่างพอใจใช้ได้ไม่เลวหรอกบุญคาถ้าไม่ตายได้กันเส้นในถ้าวันนี้ต่อไปก็ถ่ายทอดวิชาให้จันท์บ้างอย่าอมเก็บไว้คนเดียวแกฮึ่ยๆในลําคอ บุญคำน่ะครอบให้อาจารย์ได้หรอกถ้ามันคิดจะเรียนจริงว่าแต่นายเถอไม่เห็นครอบให้บุญคำมั่งเลยเจ้าแรงเป็นครูเป็นสิทธิ์รับใช้มานานนมนายมีดีเหนือกว่าไอคำตั้งสิบเท่าแต่ไม่เคยให้ไอคำไว้มั่งเลยแต่ครึ่งของนายก็ยังดีการใหญ่ไม่สนใจอะไรกับคําพูดของบุญคำตามองสังเกตนิ่งอยู่ที่เปลวไฟบนปลายเทียนอันตั้งอยู่บนหินก้อนนั้นและจับแขนสมุนซ้ายขวาดึงให้ไปอยู่ข้างหลัง ทั้งสองคนไปนั่งสำรวมสงบสติอารมณ์เฉยๆไว้เห็นและเหตุเห็นหรือได้ยินอะไรอย่ะพูดอย่าทักอย่าแสดงอาการอะไรให้ผิดปกติออกไปจนกว่าฉันจะเรียกระหว่างนี้ตั้งสติสวดมนต์ไปก็ได้อย่างเข้าใจแม้จะไม่ถี่วนนะักและรู้เส้นกันดีอยู่แล้วทั้งบุญคำและจันถอยห่างออกไปประมาณสามเก้าสุดกายลงนั่งราบกับพื้นหุบ ป, ปากเงียบประพินไพยวันยอนกายลงนั่งตรงหน้าก้อนหินอันมีเทียนติดอยู่นั้นขัดสมาธิเพชร ลําตัวตรงมือทั้งสองแแบขึ้นวางซ้อนกันบนตักสูดลมหายใจลึกดวงตาจับยิ่งไมกพิพิธเป็นยังเปลวไฟบนปลายเทียนที่เป็นกรวยตั้งนิ่งตรงขึ้นไปด้านบนแลประหนึ่งภาพวาดนั้นลักษณะของเขาเหมือนเพ่งกระสินด้วยมิฉะนั้นก็สะกดจิตตัวเองโดยใช้เปลวเทียนเป็นจุดรวมพลังจิตภายในถ้าบริเวณนั้นเงียบแสนเงียบเงาของพรานใหญ่ที่นั่งเหมือนบริกรรมอยู่เบื้องหน้าพรานคู่ใจทั้งสองไม่ไหวติงเลยแทบจะแลเป็นท่อนหินเช่นเดียวกันไฟฉายและตะเกียงไฟฟ้าบัดนี้ดับมืดคงมิแต่เสียง มีแต่แสงแสงเพียงจุดเดียวตรงยอดเทียนเท่านั้นสาดลิปลีไปรอบด้านในรัศมีจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านเป็นเงาจะคุมตะคุ้มเต็มไปด้วยปริศนาดิชามินาในความนิ่งและเงียบสงบนั่งสัมเนียงชนิดหนึ่งเริ่มแวววิเว้โหยหวนมาจากที่ใดที่หนึ่งไม่ปรากฏชัดไม่ทราบที่มาและไม่อาจตระหนักแน่แยกชัดเจนออกไปได้ว่ามันดังผ่านเข้ามาทางสวนภาษาหรือทางติดสัมผัสกันแน่แสเสียงชวนสยองกล้าวชนิดนี้ระพินจะได้ยินหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ทั้งบุญธรมและจานต่างได้ยินพร้อมกัน มันฟังเหมือนเสียงกููร้องโวกโวยขึ้นมาจากก้นเหวหรือมิฉะนั้นก็จักหลือเพดานหิน ย, ย้อยเหนือหัวขึ้นไปประดุดสัมสัตจมบาบในห่วงโอเวจีครวนครางเสียงร้องโหยหวนฟังไม่ได้ว่าควรจะเป็นสำเนียงมนุษย์หรือสัตว์อบายภูมิบางขณะก็เป็นเสียงหัวเราะแหบต่ำปะปนกันมาแยกแยะไม่ถูกแล้วพื้นทารอบด้านก็มีอาการเหมือนจะสั่นคลอนเคลื่อนไหวน้อย เสียงหินลั่นอยู่ครึกๆึมีอาการคล้ายจะถล่มทับลงมาจันทเริ่มตัวสั่นเทากําลังใจชักไม่มั่นคงขึ้นมาอีกเหลียวมองไป ร, บรบยอบๆกลยังวกแวกแต่ตาเท่าบุญ ค, คําคุมสติมั่นมือหนึ่งขยุ้มขอลูกน้องไว้กดบังคับแน่นป้องกันไม่ให้จันทร์ลุกขึ้นเล่นตะเลิดรวมทั้งไล่คาถาขับพูดขับพิษากเท่าที่แกเริ่มเรียนมาว่าไปตามเรื่องเบื้องหน้าคนทั้งสองท่ามกลางสิ่งวิปริตอาเพศหน้าสยองคนนั้นต่างยังเห็น จอมผา น, น, านั่งยิงไม่กระดุกระดิกไม่สะทกสะเทือนต่อสภาวะแวดล้อมกายอย่างใดทั้งสิ้นเหมือนก้อนหินก้อนที่เขาเผชิญหน้าอยู่พักใหญ่ต่อมายังหินนั่นรอบตัวและสำเนียงร้องครวญครางหน้าสะพึงกลัวเหล่านั้นค่อยๆเคลื่อนห่างออกออกไปห่างออกไปทีละน้อยกระทั่งที่สุดก็กลายมาเป็นดุษเดีภาพดังเดิมแล้วคราวนี้เองทั้งบุญคำกับจันที่นั่งเบิกตาโพงอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็เริ่มสังเกตเห็นเปลวไฟบนเทียนที่เป็นกรวยนิ่งอยู่สั่นไหวเล็กน้อยก่อนโอนเอ็นไปมาแล้วบิดพลิ้วเป็นเกลียวเป็นนทีี่่าาาาัจรรรยยย์ิงงงบคค้้กมลๆ ลมจากที่ใดที่หนึ่งเปล่าพัดมาทำท่าจะดับไม่ดับแยบุบบิดจนเจียนแต่ก็ไม่ดับเปลวไฟลูกเพี้ยไปทางโน้นทีทางนี้ทีรอบทิศทางไปหมดทั้งทั้งที่ไม่มีลมพัดผ่านมาให้รู้สึกได้เลยลูกใหญ่เจอะมาอีกของการพลริ้วเพื่ออาการประหลาดจากเปลวไฟบนปลายเทียนนั้นมันก็กลับตั้งตรงแนวเป็นปกติเหมือนเดิมให้เห็นอยู่ชั่วขณะติดจากนั้นไม่ถึงอึดใจมันก็เริ่มเบนกรวยไปรูป45องศาชี้เอ็งขึ้นสู่เบื้องบนอันเป็นเพดานถ้ำที่สูงเป็นช่อขึ้นไปเป็นช่องงงงงงชชัััั้้้นนนนนไปลลวคคสภาพพิ่่่่่ทีีเเเยยออููก็มะรรดดึหบบใุ ส่วนปลายไปทางด้านนั้นโดยมิกระดิกเฉไปทางอื่นอีกเลย2นาทีเต็มๆที่เปลวไฟบนปลายเทียนชีท้ทิศทางในสภาพอันน่าอัศาจรรย์รปินก็ขยับตัวลุกขึ้นทันทีเสียงเขาบอกมาโดยมิเดียวหลังว่าเอาละบุญคำจัน์ลุกขึ้นได้แล้วและเข้ามานี่สองพรานอาโโุปสงค์ค่อยลุกขึ้นทันทีอย่าง ง, งุนงงไม่อาจเข้าใจความหมายใดๆไ ด, ได้เดินย่องเข้ามาประกบเข้าคนละด้านทั้งเห็นจอมพรานแหงหน้ามองสูงขึ้นไปยังเพดานถ้ำด้านบนเหนือบริเวณปากเหวนั้นตามแนวชี้ของแสงเทียนอันสนินตนิ่งเขาบุ้้้้้ยยปาาาากกวว่ใหลูนอองงงซขทัส มีช่องทางระบายอากาศอยู่บนหลืผินข้างบนนั่นแน่นอนนายรู้ได้ยังไงบุญคำกระซิบถามบบาที่สุดขณะที่แงนมองตามพร้อมกับจันระพินเองก็หมายตานิ่งอยู่ตรงนั้นมีลมจากด้านล่างจากปล่องเหวนี่แหละดูดขึ้นไปยังหลืบตำแหน่งนั้นเปลวเทียนก็ชี้บอกตำแหน่งอยู่นี่อากาศจากปล่องเหวเย็นชื้นกว่าจะลอยขึ้นหาอากาศที่อบอุ่นหรือร้อนกว่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทางระบายลงตรงนั้นและคงเป็นช่องทางใหญ่แน่บุญคํากับจันรฟังคําอธิบายของเขายัางไม่เข้าใจหันมามองหน้ากันเองแล้วยิ้มแยะ อากาศเย็นลอยขึ้นไปหาอากาศอุ่นเนื้ออากาศอุ่นจะลอยลงมาหาอากาศเย็นบุญคาไม่รู้เรื่องหรอกนายบุญคํารู้อยู่อย่างเดียวว่าเปลวเทียนมันเปลวเทียนมันชี้บอกตําแหน่งอะไรนายสักอย่างหนึง่งเป็นอำนาจอาคมของนายใชมากกว่าบุญคํารู้หรือเข้าใจยังไงก็สุดแล้วแต่เธอเป็นอันว่าเอาอย่างงี้สองคนยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคอยส่องไฟฉายให้ชั้นตัวชันเองจะไต่ขึ้นไปตามหรือผินนั่นเพื่อจะพบลู่ทางอะไรบ้างแล้วคอยสังเกตเปลวเทียนไว้ว่าขณะที่ฉันไต่ขึ้นไปมันจะเบนไปทางอื่นอีกบ้างไหมถ้ามันเปลี่ยนทิศ เ, เริ่มไหวลวนเลยไปททางออื่นนนนให้้ตะกกบชััี เดี๋ยวนายขอบุญคำถามนายสักนิดเถอะถามอะไรว่าที่นายนั่งบริกรรมยิ่งอยู่หน้าเทียนนี่นานยได้ยินเสียงอะไรมั่งหรือเปล่าท่ามันสั่นลั่นอยู่คุดคลุยังกะพัทงทับลงมาแล้วมีเสียงคลางยังกับผีนรกขอส่วนบุญแท่รอบตัวไปหมดบุญคำไม่ได้ยินคนเดียวอาจันก็ได้ยินด้วยเขาสัน่นศีรษะตอบหน้าเฉยปกติว่ะคิดนึกไปเองแด้ได้ยินไปเองฉันไม่เห็นได้ยินอะไรสักอย่างก็บอกแล้วว่าสงบสติอารมณ์คุมไวให้ดีเอาละจะโมชักช้าอยู่เลยเวลาไม่ค่อยท่าหายฝายสองทางให้เลยฉันจะปีนขึ้นไปดูลาบลาวก ราจบเขาก็เคลื่อนที่ท่านทีอย่างตัดสินใจเด็ดขาค่อยๆไต่เลาะขอบเหวอันบินเมย์ไปก่อนบุญคำก็ส่องไฟให้เห็นเส้นทางใจเต้นอยู่ตึกๆส่วนจันท์ก็คอยชำเลืองมองดูเปลวเทียนตลอดเวลาเห็นอย่างชีดิ่งเป็นมุมเอ็นอย่างประหลาดอยู่เช่นนะั้นโดยไม่กระดิกไหวเลยพอถึงตำแหน่งที่ตรงกับดูพินเบื้องบนดำทะมึนและชงเงื่อมอยู่เหนือศีษะสูงขึ้นไปประมาณ78ดแปดวากับจิตเพดานทําจอนพานก็ค่อยๆเกาะแน่หินที่โผล่ยื่นออกมาอย่างปร ะ, ะจกักดิ์ระเบียบแต่ก็สวยงามระคบนับกับความน่ากลัวนะั้นปีนป่ายขึ้นไปช ค่อยๆเหยียบโผล่ตัวสูงขึ้นไปเป็นลําดับโดยมีลําแสงไฟฉายช่วยส่องให้ทุกช่วงพื้นหินค่อนข้างลื่นและเต็มไปได้วยคราบตะไคร์าบางแห่งมีทางน้ําไหลแถวจางอยู่รินรินสองสำครั้งที่เขาเกือบพลาดเพรา ะ, พระความลื่นถ้าจะพลัดล่วงลงมาทำเอาทั้งบุญธรรและจันลักอุทานยังตกใจเพราะถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าหล่นลงไปในปร่องเหวที่รอรับอยู่เบื้องล่างเมื่อ น, นั้นแต่ละพินก็สามารถควางง้าแง่หินเกาะคอยตองแตงอยู่ได้อย่างน่าหวาดเสียวแล้วก็ออกแรงขึ้นข้ อ, ขอลังตัวเองให้สูงขึ้น ค่อยๆไต่ก็เดินขึ้นไปทีละช่วงสะดวกบ้างยากบางสลับกันไปโดยหยุดมองหาลู่ทางเป็นระยะๆส่วนบุญคําก็ฉายไฟให้เขาเห็นทิดทางเหนือชิษะขึ้นไปยังคนเข้าจะอะไรดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาแนะนำลว่คําสั่งควรจะฉายให้เห็นอะไรอย่างใดบ้างเรีวเทียนเป็นยังไงบ้างจันเขาล้อถามลงมาจากการถามโดยตําแหน่งที่มาเกาะยืนอยู่บนหินสูงกว่าพื้นสี่ห้าวา น, นั่นเองไม่จะพูดบาบาๆมันก็ดังกังวานกล้องไปหมดยังชี่นิ่งอยู่ที่เดิมนายไม่กระดิกเลยบุญคาส่งไฟมาทางด้านซ้ายมือของฉันนิดหน่อย ตัวของชั้นนี่ปีนขึ้นไม่ได้เพราะแผ่นหินมันชะงโกลามออกไปมากและเกินเอื้อมไม่ถึงแล้วก็ไม่มีแง่ที่จะเกาะโหนขึ้นไปได้เขาสั่งลงมาอีกบนคำก็กลาลามไฟฉายส่องไปทางซ้ายมือเนือศีรษะของเขาทันทีมันเป็นหลือหินลักษณะแบนๆซ้อนกันอยู่หลายชั้นคล้ายๆขั้นบันไดและยังมีชะ ง, ง้อนโผล่ออกไปมาเกะกะไปหมดพอที่จะอาศัยยึดเหนี่ยวได้บ้างและท่าไต่ขึ้นไปตามทิศ ท, ทางนั้นอีกสองสัมวาทาั้นก็จะบรรลุถึงบริเวณชานศิลาเกือบชิดกระเพดานด้า น, านบนอันเป็นเส้นทางที่เปรลวไฟชี้บอกตแหน่ ขึ้นไปถึงบนนั้นแล้วพบว่าฝาผนังซึ่งมองจากด้านล่างไม่เห็นกลายเป็นหินตันความหวังทั้งหลายในการค้าหาลู่ทางตรงตําแหน่งนี้ก็พินพังลงแค่นั้นแปลว่าปีนขึ้นมาเหนื่อยเปล่าแต่เขามั่นใจมั่นใจอย่างที่สุดเพราะขณะที่มายืนเพ่งสายตารูทางที่ปีนป่ายต่อไปนี้เริ่มสัมผัสกับ ก, บกระแสลมที่โชยผ่านมาอ่อนๆแต่ว่าเกิดจะอุปทานหรืออะไรก็ยังไม่ทราบได้พระพินยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งควัก บ, บุหรี่ออกจากกระเป๋าเสื้อจุดสู่เป็นตัวแรกพ่นควันขมุงแล้วก็จริงดังที่เขาเข้าใจ กลุ่มควันบุหรี่ที่เป่าทึบออกไปนั้นค่อยๆม้วนตัวลอยขึ้นเบื้องสูงคร้อมทั้งหายลับขึ้นไปบนชาญหินเหนือศีรษะนั้นเขาดับบุหรี่ที่เพิ่งจุดและสูดอัดเข้าไปได้เพียงอึดเดียวเท่านั้นยัดใส่กระเป๋าเสื้อไว้และวไต่แง่หินทางซ้ายมือขึ้นไปโดยไม่ปล่อยเวลาให้ล่าช้าอีกเลยท่ามกลางการเฝ้าจับตามองไมค่ครพิบของผ่านคู่ชีพทั้งสองและชั่วไม่กี่อึดใจต่อมานั่นเองโดยทิศทางเบื้องล่างที่บุญรำและจันเฝ้าจับตาเขมิงดูอยู่ร่างของพรานใหญ่ก็หายลบบาลัับบงเเหหีี่่่่่ยยมมขึ้้นนนนนนนไปปสูาาิทื็แออก ทั้งสงคนทำหน้าตื่นลิกรักมองกันเองอีกครั้งเมื่อลำไฟฉายที่สองตามขึ้นไปนั้นสองไม่พบเห็นร่างของจอมพลานอีกดูราวกับว่าเขาจะกรืดนหายไปในเพดานหินฉะนนั้นหันแลดูเปลวเช่นก็ยังเห็นสองชี้ทั้งในมุมเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่แล้วก่อนที่คนใดคนหนึ่งจะตะโกนเรียกเขาขึ้นนั่นเองลำไฟฉายของบุญธรรมที่กลาดสองคนหาไปตามมุมหรือก็สาดจับกระทบใบหน้าของเจ้านายที่โผล่ชงโงกลงมาลักษณะของเขาคงจะนอนคว่ำพังภาพอยู่บนชานหินนั้นและโผล่แค่คอลงมาให้เห็น เออนายโผล่หน้าอยู่นั่นเสียงจันอุทานเออเห็นอยู่แค่คอว่าไม่รูต้ตัวอยู่ไหนท่านนายยืดคอยาวลงมาหาเมื่อไหร่แล้วก็ไอจันเออเอิงกับ่าโดดเหวนี้เหววะอย่าอยู่เลยแต่คากระซิบกระซาบเสียงกระพินจูปากลั่นลงมาแม้ทั้งสองจะพูดปรึกษากันเบาว แ, แสนเบาเท่าไหร่ก็พอได้ยินจะกระเสะความได้ร้องบอกลงมานี่แต่เท่าสับประลังเคสองคนนั่นนะเอาเลยเลือกเอาได้สองวิธีจะโดดเหวตายโหงตายหาเสียทั้งสองคนก็เชิญแล้วจะไต่ตามชันขึ้นมาลงมือได้เดี๋ยวนี้ ๊นายจริงๆริเหรอโว้ยไอจันตาเราไม่ได้ฟาดไปหรอกบุนคําร้องออกมาอย่างดีใจและตะโกนถามขึ้นไปว่านายพบช่องทางแล้วเลยมีทางหรือเปล่าบนนั้นอย่มามัวถามอยู่เลยตะคํอาอาจันตายตามเส้นทางที่ท่านนาขึ้นมาก่อนนี่เป็นคนที่สองบนคารออยู่ตรงนั้นก่อนขึ้นมาทีละคนคอยส่องไฟไว้ให้ดีด้วยอา้าวนี่เชือกจะโรยลงไปให้ระวังให้มากๆนะทางลื่นมากทีเดียวพร้อมๆกับบอกลงมาทางนั้นสายเชือกในลอนประจําตัวของพลานใหญ่ก็ทอดห้อยลงมาจากถึงลงมาจนถึงพื้น สมุนซ้ายของเขาเคลื่อนจากที่โดยเร็วไม่ต้องให้เตือนอะไรมากค่อยๆไต่เลาะขอเผิวไปโดยทำอาการเดียวกับเขาในครั้งแรกพอถึงปลายเชือกที่เราพินห ย, ย่อนลงมาให้ก็จัดการมัดติดกับเอวเพื่อป้องกันการพลาดหลุดพร้อมกับไต่เดียรขึ้นไปอย่างรวดเร็วเต็มไปได้วยความมั่นใจยิ่งเพราะมีเชือกเป็นสายชูชีพคอยป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งแหะระหว่างนั้นบุญคำก็ทําหน้าที่ส่องไฟให้ตามเดิมพเจ์หายรับเข้าไปตําแหน่งเดียวกับประพินก็ถึงคราวของแกมั่งดับเทียนแล้วเก็บเสีย้ยเข้าบัญชาต่อมาใช้ไฟฉายสองทางเรียบเผิวขึ้้นเขาาม พอถึงยืนรออยู่ตรงนั้นก่อนเอาปลายเชือบที่ย่อนลงไปให้นี่ผูกกับไฟฉายฉันจะดึงไฟฉายขึ้นไปก่อนแล้วจะส่องจากด้านบนลงไปให้บุญคํารีบเขมีเขมันปฏิบัติตามคำสั่งของเขาทันทีบริกรรคาถาสั้นๆตามพิธีกรรมของแขกและก้มลงเป่าเทียนที่ติดเปลวไฟอยู่ดับบุบคว้าเทียนเก็บลงย่ามหลังจากนั้นก็เปิดไฟฉายส่องทางให้ค่อยๆไต่เลาะมปยังตำแหน่งที่รพินโรยเชือกลงแพ้อีกครั้งจัดการเอาปลายเชือกผูกกับไฟฉายอย่างมั่นคงแล้วลองให้สัญ ญ, ญาณขึ้นไป ลวงไฟที่ใช้สองทางถูกสาวขึ้นไปก่อนถึงมือระพินเขาก็โยนสายเชือกคืนลงไปพร้อมกับส่องไฟให้เห็นทางจากด้านบนเร็วจัดการผูกเอวแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมาอย่ามัวชักช้าอยู่เสียงทายภาวนาให้ดีก็แล้วกันถ้าบาปหนากกรรมหนักสายเชือกนี่จะขาดหลุดล่วงลงนรกไปเลยช่วยอะไรกันไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าบุญช่วยอยู่บ้างจะตายยังไม่ขายก็ตายขึ้นมาถึงบนนี้ได้อีนายกูพูดอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้จะแช่งให้อาคำลงนรกหรืยอยังไงฮีท่ทอแต่เท่าจอมเซียนบนอูอ้อีแล้วโหนสายเชือกใช้เท้าเหยียบแง่หินปีนไปท้มาาาออย่่่งงคแวรกับิ รวดเร็วกวาการขึ้นของจันรซะอีกแม้ว่าบางครั้งความรีบร้อนจะทําให้แก่พลาดมือรุดทพราความลื่นของแง่หินลอยตองแต่งอยู่กลางอากาศแต่ทั้งละพินและจันขึ้นไปนอนพังภาพคอยอยู่ก่อนแนะก็ช่วยกันฮิ้วลังเอาแกพน้นภาวะวิกฤตนั้นขึ้นไปได้อย่างทุลักทุเลที่สุดบุญคํามันเป็นคนที่สามล้าหลังสุดก็ปีนขึ้นมานอนหอบแหกแหกรวมกลุ่มอยู่กับละพินและจันที่ล่วงง่าขึ้นมาก่อนแล้วตำแหน่งที่ทั้งสามปีนป่ากันขึ้นมาหมอบอยู่นั้นเป็นชานหินราวเรียบกว้างประมาณห้าหกเมตรและระดับที่ยืืืนนนนลล้้้ําาาไปปเเเหออกบงง่ั ว่าจัดตำแหน่งนี้ขึ้นมาพักเหนื่อยตั้งหลักกันอยู่ขึ้นไปสู่เพาดานถ้ำที่แลเห็นแต่ขณะที่อยู่เบื้องล่างห่างแค่วาเท่านั้นทั้งจันรและบุญคำที่ตายขึ้นมาถึงภายหลังเมื่อมองเห็นเสื้อ้าของชานหินนั้นซึ่งเป็นทางทะลุยาวเหยียดไปในระดับสูงโดยซอกซอนเป็นพโพรงลึกเข้าไปในผนังตางองอา่างก็อุทานร่าออกมาอย่างยินดีสุดขีดเฮ้ย <"He i, S 2> มีทางทะลุไปได้โว้ยอพินดับไฟฉายในมือดับสนิทลงและสะกิดคนคู่ใจของเขาทั้งสองไห้มองไปตามช่องทางระดับสูงอันปีนป่ายกันขึ้นมานั้นบบเรี ย, รยว่า เอาขาวนี้ช่วยกันพิจารณาให้ดีตามช่องทางที่สะลุออกไปโน่นเห็นอะไรไหมแสงสว่างมีแสงสลัสวๆอยู่ตรงนั้นมันจะต้องมีทางทิศตะวัน่องจากโพรงใดโพรงหนึ่งสาดลงมาแน่ๆและคงอยู่ไม่ไกลนะักจันโวยวายล่านยังลืมตัวท่ามกลางความมืดที่ต่างมาหมอพักเรียนกันเป็นหน้ากระดานอยู่บนชานหินชั้นสูงสูงแทบจะติดเพดานถ้านั้นเมื่อจ้องไปทางช่องทาง ท, างที่ธรรมชาติเจาะเอาไว้ซึ่งจะเป็นหนทางยาวไกลสักเพียงไหนหรือนําไปสู่ที่ใดก็ตามที ทั้งบุญคำและอาจารย์สังเกตเห็นความสวา่างลางๆปรากฏอยู่ตรงมุมซอกหินหาเอาไปประมาณไม่เกินสิบวาซึ่งผิดไปกับความมืดมิดที่เผชิญกันมาโดยตลอดชนิดไม่แลเห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยมันเป็นแสงสะท้อนหักเหที่เล็ดลอดออกมาจากช่องทางช่องใดช่องหนึ่งและสาดเข้ามาถึงตำแหน่งนั้นทําให้พอมองเห็นซอกหินในเส้นทางอาณาเขตประมาณสองสามตารางวาหนอหินงอกอยู่พราวไปหมดเหล่กับฉากประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างไว้ ขณนะเดียวกันก็สัมผัสได้กับกระแสลมอ่อนที่ชวยผ่านร่างกายมายังแผ่วจางเป็นละลอกละลอกกลิ่นอับของถ้ำอันประกอบด้วยตะไคร่และว่านที่จเจริญเติบโตได้เฉพาะความมืดลอยมาสัมผัสนาคะ่ะลอยมาสัมผัสขานาะประสาทอยู่ริ้วๆทั้งบุญธรรมและจานทร์แทบจะลุกขึ้นเต็มเมื่อมองเห็นเส้นทางเชื่อมโยงแยกออกไปทางเส้นทางก้าออกตามปกติเบื้องล่างนั้นซึ่งมันซ่อนอยู่บนหลืบหินสูงขึ้นมาโดยที่ตนเองทั้งคู่ไม่เคยค้นพบหรือคาดฝันว่าจะมีช่องทางมาก่อนยังไงเพราะอาจารย์นักตัดเ็กไหลไหนว่าสำรวจเส้้้นนนทาางใตูเขี่ไวกอ ยัปลูกระโลงหมดแล้วยังไงละ่ะประพินถามขึ้นเบาๆทั้งจันรและบุญคํายิ้มออกมาอย่างแห้งแรงที่สุดยกนิ้วมือพนมขึ้นเหนือหัวอย่างยอมแพ้ซิโลราโทนะอย่าว่าอะไรบุญคํากับไอ้จันร์เลยถ้าบุญคำหรือไอ้จันร์เป็นอาจารย์ตัดเดกล็ดไหลป่านี้ก็คงได้เหล็กไหลขายรวยไปแล้วไม่มาเป็นลูกกระตุม้มนายคอยติดสอยห้อยตามตองแต่งอยู่อย่างนี้หรอกบุญคํายอมแพ้นายมานานแล้วไม่จะฝากตัวเป็นศิษย์หรือใครจะไปนึกถึงว่าบนลืบติดกรดานถ้ำเหนือเหวนี่ จะมีเส้นทางทะลุไปได้มองจากมองจากข้างล่างรู้ที่ไหนต้องปีนขึ้นมาดูแล้วกว่าจะปีนขึ้นมาพบานายนายก็ต้องเพ่นกระสินบริกรรมจะย่ำแย่เหมือนกันเจ้าธรรเข้าสู้วิชานายไม่ได้ก็เลยต้องเปิดทางให้ส่วนบุญคำก็จันนะแค่เดินตรวจ ด, ดูตามเส้นทางข้างล่างเท่านั้นทะลุออกไปอีกฝากหนึ่งโดยไม่หลงตายอยู่ในธรรมนี่ก็นับว่าเก่งแล้วสะพรานท่าบนอ๋อยนายกูนี่แน่จริงๆคนหนุ่มๆสมัยใหม่พูดฝรั่งเป็นน้ำทำไมถึงเก่งอย่างกับพระธุดงอย่างนี้วะ รัวใจเลยพระผาแทนที่จะเรียกนายเรียกหลวงพ่อจะดีหรือเจิงจันทคลางออกมาอีกคนแล้วก็เต็มไปด้วยกระแสแห่งความพิติปรามโอดยิ่งนะฉันไม่ได้เก่งกาดอะไรเหนือกว่าจันหรือบุญคำในเรื่องนี้หรอกเพียงแต่ว่าฉันไม่ชอบส่งเด ท, ทําอะไรลูกๆเหมือนอย่างบุญคำกันกันเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยหลักความจริงที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบเราเข้ามางมกันอยู่ในถ้ำลึกถึงขนาดนี้แล้วยังอุตสาหมีอากาศหายใจอยู่ได้มันก็ต้องแปลว่าสภาพของถ้าจะต้องมีช่องทางชอนทะลุไปยังด้านอื่นๆได้ อย่างน้อยก็ทางระบายอากาศเพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาไข่ครวนตรวจตราให้แน่ละเอียดกว่าที่บุญคําและจันเคยสารวจกันอย่างลวกๆวกมาแล้วมันอาจช้าหน่อยแต่ก็ต้องพบแน่แนถ้าไม่ช่องทางด้านบนก็จะต้องเป็นช่องทางด้านล่างที่ตามลงไปอีกเป็นต้นว่าช่องต่อเชื่อมระหว่างเหวต่อเหวเป็นไงพบทางเชื่อมทะลุถึงกันด้านบนแบบนี้แล้วพอจะมีความหวังขึ้นบ้างหรื อ, อยังประโยคหลังเขายัางหางเสียงลูกน้องทั้งสองคนจันยิ้มออกมาได้บอกเสียงหนักแน่นว่าถ้าทั้งสองคนนั่นไม่ถูกหินทับตายเะก่อนเราตามตัวได้แน่นาย ทางบนเพดานถ้ำนี้จะต้องต่อเชื่อมไปถึงโพรงถ้ำที่สองคนเข้าไปเด็อยู่แน่ๆเลยเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆตรวจหาว่ามันไปลงบรรจบกันตรงไหนเท่านั้นจันทว่าคงไม่หาออกไปนักหรอกเพราะปากลูถ้ำทางด้านนี้หินถล่มทับกรบมันก็อยู่ห่างกันไม่มากนะักส่วนบุญคามไม่พูดอะไรยกมือขึ้นวาดริมฝีปากแล้วเอ่ยเอื้อนเป็นเพลงยี่เก อ, ออกมาเจื่อีแจ้วอา น, นิจาแม่ยากันแล้ถ้าน้องไม่แบนแต่แอด๊ดก็ยังพอตามได้เขาบอกกล่าวแม่จอมขวัญ พ่อพระเอกใครวันเขาไม่ดูได้สู่บุกบันกัดฟันหาโอ้แม่คริสติน่าแม่อย่าเพิ่งตายรอเขาหน่อยเธอทูลหัวแล้วจะได้ผัวสบายตุเลงเตง่ตงเตง็ตงตะเลงเต่งโอ้ยเสียงร้องปิดท้ายพินพาดข้างหลังสุดดังลั่นเพราะมังเอกที่สับโป๊กลงไปบนกะบาลอันหยิกขอดไปได้วยเส้นผมสั้นๆของแกบุญคาคาหัวป้่อยแยกเคียวหลับตาปี